หากพวกคุณรู้ว่าหอพักที่ดูเองอาศัยอยู่นั้นมีคนตายในห้องกลางๆหรือว่ามีคนตายอยู่ในห้องคุณจะทำอย่างไร หอพักแห่งหนึ่งห้อง502ที่เห็นกันอยู่นี้ได้เคยมีผู้เช่าคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลําพังเธอเป็นผู้หญิงซึ่งก็ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่สนิทสนมพักอาศัยอยู่ในหอแห่งนี้เลยวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังเข้าห้องน้ําอยู่จู่ๆก็เกิดอาการโรคหัวใจขึ้นมากระทันหันไม่ทันที่จะได้ร้องหรือโทรขอความช่วยเหลือจากใคร เธอก็หัวใจวายและตายในห้องนั้น <c oughs> ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในหอหรือห้องข้างๆ <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้ยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติ <c oughs> เวลาผ่านไปหลายวันศพนั้น <c oughs> ก็เริ่มเปลี่ยนสภาพไป <c oughs> ค่อยๆเนา่าจนขึ้นอืดและส่งกลิ่นเหม็นออกมาภายนอกทำให้คนเริ่มสงสัย เพราะสังเกตเห็นว่าไม่เห็นเธอออกมาหลายวันแล้วจึงพังประตูเข้าไปถึงได้รู้ว่า เธอได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากนั้นสามวันเวลาหลังเที่ยงคืนมักจะมีคนพบเห็นผู้หญิงคนที่ตายนั้นเดินเข้าออกห้องนี้อยู่เสมอเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ห้องนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนานวันเข้าก็ยิ่งเจอกันมากหลายคนขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการเชิญหมอผีเข้ามา แล้วหมอผีก็ได้บอกว่าที่เธอมักปรากฏตัวให้เห็นตอนเที่ยงคืนอยู่บ่อยๆกระเพราะว่าเธอได้เสียชีวิตลงในช่วงเวลานั้นและเสียชีวิตก่อนกำหนดเธอจึงต้องวนเวียนไปซ้ำๆอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นอายุไขของตัวเอง ก่อนหน้านั้นห้องข้างๆที่อยู่ติดกับห้องของเธอก็ตรงย้ายหนีออกไปหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตไปเพียงสี่วันเท่านั้นโดยเขาได้บอกว่าในห้องที่มีคนตายนั้นเขาได้ยินเสียงคนเปิดทีวีเปิดตู้เย็นและมีเสียงเหมือนคนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดทั้งทั้งที่รู้กันดีว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่แล้วหลังจากนั้น คนที่พักอาศัยอยู่ชั้นห้าก็ทยอยย้ายออกกันหมดทำให้หอพักชั้นนี้ร้างทั้งชัน้นในระยะเวลาไม่นานคนที่เจอส่วนใหญ่จะบอกคล้คยๆกันว่า<ม>เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินทะลุประตูเข้าห้องนี้ไปต่อหน้าต่อตาบางคนก็เห็นเธอหันมามองหน้าอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆหันกลับไปก่อนที่จะเดินทะลุประตูเข้าห้องไป จนเจ้าของหอต้องติดประกาศให้คนที่ยังพักอาศัยอยู่ในชั้นอื่นๆสามารถชวนเพื่อนๆมาพักอยู่อาศัยได้โดยมีข้อเสนอให้พักฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพียงแค่จ่ายค่าน้ำและค่าไฟเท่านั้นแต่ก็ยังมีคนทยอยย้ายออกเรื่อยๆเพราะทนอยู่ไม่ได้ทําให้ห้อง502นี้ต้องถูกปิดตายไม่นากลับมาใช้อีก ปัจจุบันห้องนี้ยังอยู่มันก็ยังคงรางและปิดตายอยู่ไม่มีการเข้าไปทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆเลยแม้แต่น้อยรวมถึงห้องอื่นๆในชั้นห้าที่ไม่มีคนไปพักอาศัยอยู่เลย สมภัทสิโย